พระไตรยปิฎกเล่มที่เก้าระสุตตันตปิฎกเล่มที่หนึ่งทีฆานิกายศิลคันทวักพระสูตรที่สองสามัญญผ ล, ลสูตรว่าด้วยผลแห่งความเป็นสมณนะเรื่องพระเจ้าอาชาตสตรูและราชอมาตย์ข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของหมอชีวกโกมารพัเขตกรุงราชคฤห์ พร้อมด้วยภิกษุรงหมู่ใหญ่จำนวน1250รบรูปสมัยนั้นแหลในคืนวันเพ็ญขึ้น15้าค่ำอันเป็นวันอุโบสถของเดือนที่สีซึ่งเป็นเดือนที่มีด อ, มดอกโกมุตบานสปรั่งพระราชาแห่งแคว้นมคตพระนามว่าอัชชาสตรูเวเทหีบุตรมีอมาตย์แวดล้อมประทับนั่งอยู่บนปราสาทชั้นบนขณะนั้นเท้าเธอทรงแปล่งอุทานว่า ราตรีสว่างสวยหน้าเรื่รงงนรมงดงามน่าชื่นชมยิ่งนักเป็นเลิกงามยามดีวันนี้เราควรเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดหนอที่จะทําให้จิตใจของเราเบิกบานเลื่อมใสได้เมื่อเท้าเธอทรงแปล่งอุทานอย่างนี้ราชอมาตผู้หนึ่งได้กราบทูลว่าขอเดชะครูปูรณะกัสปะเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณนะเป็นคณาจารย์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 ราชอัมมาอีกคนหนึ่งได้กราบทูลถึงครูมคคลิโคสารเท้าเธอก็ทรงนิ่งราชอัมมาอีกคนหนึ่งได้กราบทูลถึงครูอจิตาเกศกําพลเท้าเธอก็ทรงนิ่งราชอมมาอีกคนหนึ่งได้กราบทูลถึงครูปากุฏฐกัจยณนะเท้าเธอก็ทรงนิ่งราชอัมมาอีกคนหนึ่งได้กราบทูลถึงครูสัญชัยเวรันทบุตรเท้าเธอก็ทรงนิ่ง พระราชออมมาอีกคนหนึ่งได้กราบทูลถึงครูนิครนทนาทบุตรเท้าเธอก็ทรงนิ่งสมัยนั้นหมอชีวกโกมรารพัฒนั่งนิ่งอยู่ณที่ไม่ไกลจากพระเจ้าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรเท้าเธอตรัสถามหมอชีวกโกมรารพัน์ว่าสหายชีวกทําไมท่านจึงนิ่งอยู่เล่าหมอชีวกโกมรารพัฒน์ทูลตอบว่าขอเดชะพระผู้มีพระภาค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 เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์โปรดเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเมื่อเสด็จเข้าไปเฝ้าพระไทยของพระองค์จะเบิกบานเลื่อมใสสำหรับชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะทรงรู้สิ่งที่ควรรู้ทั้งหมดด้วยพระองค์เอง และส่งสอนให้ผู้อื่นรู้ตามชื่อว่าเป็นพระผู้มีพระภาคเพราะหนึ่งทรงมีโชค2ทรงทำลาย่าสึกคือกิเล 3. ส3ทรงประกอบด้วยพระคธรรม6ประการคือความเป็นใหญ่เหนือจิตของตนโลกุตระธรรมยศสิริความสำเร็จประโยชน์ตามต้องการและความเพียร4ทรงจำแนกแจกแจงธรรมะ 5. ทรงเสษอริยธรรม 6. ทรงคายตัณหาในพพทั้งส 7. ทรงเป็นที่เคารพของชาวโลก 8. ทรงอบรมพระองค์ดีแล้ว 9. ทรงมีส่วนแห่งปัจจัยสี่เป็นต้นอันหนึ่งพุทธคุณ น, นี้ท่านแบ่งเป็นสิบประการโดยแยกพุทธคุณข้อ6เป็นสองประการคือ 1. เป็นผู้ยอดเยี่ยม 2. เป็นสรารถีฝึกผู้ที่กวรฝึกได้เมื่อท่านชีวะกะหรือท่านชีวกได้กราบทูลถึงพระพุทธเจ้าเท้าเธอจึงมีรับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงสั่งให้จัดเตรียมขบวนช้างเถิดสหายชีวกหมอชีวกโกมาราพัชราบทรับสนองพระบรมราช อ, อง์การแล้วสั่งให้เตรียมช้างพังห้าร้อเชือกและช้างพระที่นั่ง ราบถูนว่าขบวนช้างพร้อมแล้วขอเชิญใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทเสด็จเถิดพระเจ้าค่ะต่อมาพระเจ้าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรโปรดให้สตรี500คนขึ้นช้างพังเชือกละหนึ่งคนแล้วส่งช้างพระที่นั่งมีผู้ถือคบเพลิงสเสด็จออกจากกรุงราชครืดด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่สมพระเกียรติไปส่วนมะม่วงของหมอชีวกโกมารพัท พอใกล้จะถึงสวนมะม่วงเท้าเธอทรงหวาดโรแวนพระโลมชาติชูชันคือคนลุกนะครับจึงตรัสถามหมอชีวกโกมารพัดว่าสหายชีวกท่านไม่ได้หลอกเราไม่ได้ลวงเราไม่ได้นำเรามาให้ศัตรูดอกหรือภิกษุสงฆ์มูใหญ่จำนวน1250รรูปทำไมจึงไม่มีเสียงจามเสียงกระแอมไอหรือเสียงพูดคุยกันเลย มอชีวกกุ้ยมรพัฒนูลตอบว่าพระองค์โปรดอย่าได้ทรงหวาดโรแวกไปเลยข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้หลอกพระองค์ไม่ได้ลวงพระองค์ไม่ได้นําพระองค์มาให้ศัตรูหลอกขอเดชะพระองค์โปรดเสด็จเข้าไปเถิดนั่นยังมีแสงประทีปตามอยู่ในหอนั่งเท้าเธอจึงได้เสด็จเข้าไปโดยขบวนช้างพระที่นั่งจนสุดทางช้างและเสด็จลงจากช้างพระที่นั่งเข้าทางประตูหอนั่ง ตรฐามหมอชีวกโกมารพัทว่าสหายชีวกพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ไหนล่ะหมอชีวกโกมารพัทตูลตอบว่าขอเดชะผู้ประทับนั่งพิงเสากลางผินพระพักไปทางทิศตะวันออกข้างหน้าภิกษุสงฆ์นั่นแหลคือพระผู้มีพระภาคพระเจ้าค่าลำดับนั้นพระเจ้าอาชาสัตรูเวเทหีบุตรเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้ประทับยืนณนที่สมควรทรงชำเรเลืองเห็นภิกษุสงบนิ่งเหมือนสระน้ำใสจึงทรงเปล่งอุทานว่าขอให้อุทัยพัทรากุมานของเราคือพระโอรสของพระองค์จงมีความสงบอย่างภิกษุสง์ในเวลานี้เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิษพระองค์เสด็จมาตามความรักบัญชาเท้าเธอกราบทูลว่า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 หากพระผู้มีพระภาจะประทานพระวโรกาสเพื่อส่งตอบปัญหาของหม่อมชันพระผู้มีพระภาตรัสว่าเชิญถามตามพระประสงค์เถิดมหาบพิษพระเจ้าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาชีพที่อาศัยศิลปะเหล่านี้คือพลช้างพนมา้าพลรถพนธนูพนักงานเชิญธงพนักงานจัดกระบวนทัพพวกจัดส่งสเสบียง ราชนิกูลผู้ทรงเป็นนายทหารระดับสูงขนอาสาขนพลคนกล้าคนสวมเกราะพวกทาสเรือนเบีย้ยพวกทําขนมพวกการบกคือช่างตัดผมพนักงานเครื่องสงทรงในที่นี้สะกดด้วยส่อเสือรอเรืององูนะครับพวกพ่อครัวช่างดอกไม้ช่างย้อมช่างหูกช่างจัดสาลช่างหม้อนักคํานวณ น, นักบัญชี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 เชิญพระองค์ตรัสเถิดณสถานที่ที่มีพระผู้มีพระภาคหรือผู้เปรียบดังพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่หม่อมฉันไม่หนักใจเลยพระพุทธเจ้าข่าถ้าอย่างนั้นเชิญพระองค์ตรัสเถิดมหาบพิษลัทธิของครูปุรณกัสปะอากิริยาวาทะลัทธิที่ถือว่าทาแล้วไม่เป็นอันทำรร ลัทธิที่ถือว่าการกระทำทุกอย่างไม่มีผลทำดีก็ไม่ได้ดีทำชั่วก็ไม่ได้ชั่วเป็นความเห็นที่ปฏิเสธกฎแห่งกรรมพระเจ้าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคราวหนึ่งในกรุงราชเครื่อนหม่อมชันเข้าไปหาครูปุรณะกัสปะถึงที่อยู่เจรจาปราศัยกันพอคุ้นเคยดี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 ฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ตัดช่องย่องเบาล้นทำโจรกรรมในบ้านหลังเดียวดักส้มที่ทางเปลี่ยวเป็นชู้พูดเท็จผู้ทำเช่นนั้นก็ไม่จัดว่าทำบาปแม้หากบุคคลใช้จักมีคมดุจมีโกโนสังหารเหล่าสัตว์ในปัตภพีนี้ให้เป็นดุจลานตากเนื้อให้เป็นกองเนื้อเดียวกันเขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้น ไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งขวาแม่น้ำคงคาฆ่าเองใช้ให้ผู้อื่นฆ่าตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนเขายอมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งซ้ายแม่น้ำคงคาให้เองใช้ให้ผู้อื่นให้บูชาเองใช้ให้ผู้อื่นบูชา เขายอมไม่มีบุญที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบุญมาถึงเขาไม่มีบุญที่เกิดจากการให้ทานจากการฝึกอินทรีย์จากการสำรวมจากการพูดคำสัตว์ไม่มีบุญมาถึงเขาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันถามถึงผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์แต่ครูภูรณกัสปะกลับตอบเรื่องที่ทำแล้วไม่เป็นอันรมเปรียบเหมือนเขาถามเรื่องมะม่วงกลับตอบเรื่องขนุนสัมปลอ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 ลัทธิของครูมคคุิโคลสานนัตทิกะวาทะลัทธิที่ถือว่าไม่มีเหตุปัจจัยที่ทําให้สัตว์บริสุทธิ์หรือเศร้าหมองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราวหนึ่งในกรุงราชครืน่นี้หม่อมฉันเข้าไปหาครูมคคุิโคลสานถึงที่อยู่ได้นั่งลงถามครูมคคุิโคลสานว่าท่านโคลสานอาชีพที่อาศัยศิลปะมากมายดังคําถามข้อนั้น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 อพิชาตคือการกำหนดหมายชนชั้นเช่นโจรเป็นกัญหาพิชาติสีดำนักบวชเป็นนีลาพิชาติสีเขียวนิครนเป็นโลหิตาพิชาติสีแดงพครือหัสเป็นหาลิธาพิชาติสีเหลืองอาชีวะกะหรืออาชีวกเป็นสุกาพิชาตคือสีขาวนักบวชที่เคร่งวัดปฏิบัตเป็นปรมสุกกาพิชาติคือสีขาวยิ่งนัก อันหนกำเนิดที่เป็นประธานหนึ 1, 4, 6, กก่งล้านสี่สนหกพกร้อยกรัมห้ารยกรัมห้ากรัมสกรัมหนึ่งกรัมกึ่งตามทัศนะของครูมคคิิโคสารกรัมหหมายถึงตาหูจมูกลิ้นและกายกรัมสามหมายถึงกายกรรมวัจีกรรมและมโนกรรมกรัมหนึ่งหมายถึงกายกรรมกับวัจีกรรมรวมกันกรัมกึง่งหมายถึงมโนกรรม ปฏิปทา62อันตร ก, กับ62อภิชาติ6ปุริสภูมิข้อนี้หมายถึงขั้นตอนแห่งการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคลนับตั้งแต่คลอดไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแบ่งเป็น8ขั้นคือมัตตภูมิระยะไร้เดียงสาขิทาภูมิระยะรู้เดียงสาบัตวีมังสภูมิระยะตั้งไขอุชุดภูมิระยะเดินตรง เสกภูมิระยะศึกษาสมณภูมิระยะสงบชินภูมิระยะมีความรอบรู้ปัณณภูมิระยะแก่ง่อมปุริภูมิ8อาชีวก 4,900 ปริภาชคนก4า0 0นาควาด 4,900 อินทรียอพนนรก300รพระโชธาตุสิ ข้อนี้หมายถึงฝุ่นละอองในที่นี้หมายถึงที่ที่ฝุ่นจับเกาะเช่นหลังฝ่ามือฝ่าเท้าเป็นต้นสัญญีคันเจ็ดอสัญญีคันเจ็ดนิคันถีคันเจ็ดข้อนี้คือที่งอกซึ่งอยู่ที่ข้อหรือตาเช่นอ้อยไม้ไผ่และไม้อ้อเป็นต้นเทวดาเจ็ดมนุษย์เจ็ดปีศาจเจ็ดสะเจ็ดตาไม้ไผ่เจ็ดตาไม้ไผ่เจ็ดร้อย เหวใหญ่เจ็ดเหวน้อย700รมหาสุบินเจ็ดสุบิน700รมหากับ8ปดล้านส0ในส่วนของมหากับกำหนดระยะเวลาหนึ่งมหากับยาวนานมากอัตกรถาเปรียบว่ามีสระน้ำใหญ่แห่งหนึ่งเต็มด้วยน้ำบุคคลเอาปลายใบยญาคาจุ่มลงไปนำหยดน้ำออกมา100ปีต่อหนึ่งครั้งจนน้ำในสระนั้นแห้งกระทําเช่นนี้ไปจนครบ7็ครั้ง นั่นคือระยะเวลาหนึ่งมหากรที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เหล่านี้ที่คนพาและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนไหวไปแล้วจากทาที่สุดทุกได้เองไม่มีความสมหวังในความปรารถนาว่าเราจะาอบรมกรรมที่ยังไม่ให้ผลให้ให้ผลหรือสัมผัสกรรมที่ให้ผลแล้วจากทาให้หมดสิ้นไปด้วยศีลรสตบะหรือปรมาจันนี้ไม่มีสุขทุกข์กที่ทาให้สิ้นสุดลงได้ จำนวนเท่านั้นเท่านี้เหมือนตวงด้วยทนนานไม่มีสังสารวัตรที่ทำให้สิ้นสุดไปได้ด้วยอาการอย่างนี้ไม่มีความเสื่อมและความเจริญไม่มีการเลื่อนขึ้นสูงและเลื่อนลงต่าพวกคนพาและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนไหวไปแล้วก็จับทำที่สุดทุกได้เองเหมือนกลุ่มได้ที่ถูกขว้างไปย่อมคลี่หมดไปได้เองฉะนนั้นถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมชันถามถึงคนแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์แต่ครูมคคลิโคสารกลับตอบเรื่องความบริสุทธิ์เระเวียนไหว้าตายเกิดเปรียบเหมือนเขาถามเรื่องมะม่วงกลับตอบเรื่องขนุนสัมปรลหม่อมชันจึงคิดว่าคนอย่างเราจะลุกรานสมณะพราหมณ์ผู้อยู่ในราชอาณาเขตได้อย่างไรกันหม่อมชันจึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิคำกล่าวของครูมคคลิโคสารถึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิแต่ก็ไม่พอใจ และไม่เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจออกมาเมื่อไม่ยึดถือไม่ใส่ใจคำกล่าวนั้นก็ได้ลูกจากที่นั่งจากไปลัทธิกรูอจิตะเกสกรัรมพลอุชเช ท, ทวาทะลัทธิที่ถือว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดศูนย์ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คราวหนึ่งในกรุงราชคืนนี้หม่อมฉันเข้าไปหาครูอาชิตะเกษศกรรมพลถึงที่อยู่ได้นั่งลงถามครูอาชิตะเกสศกรรมพลว่าท่านอาชิตะอาชีพที่อาศัยศิลปะมากมายดังคำถามที่ถามไปนั้นท่านอาชิตะจะบัญญัติผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันได้เช่นนั้นบ้างหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผูเจริญนเมื่อหม่อมชันถามอย่างนี้ ครูอชิตะเกศกัมพลตอบว่ามหาบพิษทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงก็ไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทําดีทําชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีบิดาไม่มีคุณมารดาไม่มีคุณอบปติกะสัตว์ที่เกิดผุดขึ้นก็ไม่มีต้องกราบขออาภัยด้วยนะครับเนื่องจากผู้อา่าน อาจเสียงไว้หลายเล่มและอ่านผิดเป็นโอปปาติกะจนมีผลให้หลายคนคิดว่าเป็นคำจริงตามจริงและคำนี้ต้องอ่านว่าโอปปาติกะหรืออุปปาติกะถ้าตามความเข้าใจน่าจะมาจากคำว่าอุปปัดกับติกะผสมกันก็กลายเป็นเกิดขึ้นผุดขึ้นทันทีนะครับเป็นสัตว์ที่เกิดและเติบโตเต็มที่ทันทีและเมื่อจุติหรือตายก็หายวับไป ไม่ทิ้งซากศพไว้เช่นเทวดาและสรนรกเป็นต้นอบปฏิกะหรือสัตว์ที่เกิดผุดขึ้นก็ไม่มีสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกมนุษย์คือที่ประชุมแห่งมหาพุตรูปสี่เมื่อสิ้นชีวิตธาตุดินไปตามธาตุดินธาตุน้ำไปตามธาตุน้ำ ธาตุไฟไปตามธาตุไฟธาตุลมไปตามธาตุลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมผันแปรไปเป็นอากาศทาตวมนุษย์มีเตียงนอนเป็นที่ห้านำศพไปข้อนี้หมายถึงเวลาหามศพจะใช้บุรุษสี่คนเดินหามเตียงนอนไปฉะนั้นจึงชื่อว่ามีเตียงเป็นที่ห้าร่างกายปรากฏอยู่แค่ป่าช้ากลายเป็นกระดูกขาวโพลนดุจสีนกพิราบ การเส้นสวงสิ้นสุดลงแค่เท่าทานคนเขาบัญญัติทานนี้ไว้คำที่คนบางพวกย้ำว่ามีผลนั้นว่างเปลา่าเท็จไราสาระเมื่อสิ้นชีวิตไม่ว่าคนเขาหรือคนฉลาดย่อมขาดศูนย์ไม่เกิดอีกถ้าแต่พระองค์พูดเจริญหม่อมชั้นถามถึงผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์แต่ครูอจิตาเกศกรรมพลกลับตอบเรื่องความขาดศูนย์ หม่อมชั้นจึงไม่ชื่นชมและไม่ตำหนิไม่ใส่ใจคํากล่าวนั้นและลุกจากที่นั่งจากไปลัทธิของครูปกุธะกัจจายนะนัติกะวาทะลัทธิที่ถือว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพราวหนึ่งในกรุงราชครื่นี้หม่อมชั้นเข้าไปหาครูปกุุทะกัจจายนะ ได้นั่งลงถามครูปรกุทากาจัจจายนะว่าท่านกาจัจจายนะอาชีพที่อาศัยศิลปะมากมายดังคําถามที่ผ่านมานั้นท่านกาจัจจยนะจะบรรยัญญติผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันได้เช่นนั้นบ้างหรือไม่ครูปรกุทากาจัจจยนะตอบว่ามหาบพิษสภาวะเจ็ดกองนี้ไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้บรรดาลไม่มีผู้เนรมิตไม่มีผู้ให้เนรมิตร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 ไม่มีผู้รู้ไม่มีผู้ทาให้คนอื่นรู้ใครก็ตามแม้จะเอาสัตราคมตัดศีรษะใครก็ไม่ชื่อว่าปลงชีวิตใครได้เพราะเป็นเพียงสัตราแทรกผ่านไประหว่างสภาวะเจ็ดกองเท่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันถามถึงผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์แต่ครูประกุฏะกัจจยนะกลับตอบเรื่องความขาดศูนย์ เปรียบเหมือนเ้าถามเรื่องมะม่วงกลับตอบเรื่องขนุนสัมปะลอหม่อมฉันไม่ชื่นชมไม่ตำหนิและลุกจากที่นั่งจากไปลัทธิของครูนิโครฐา น, นาตะบุตรอตตะกิละมัานุโยกลัทธิที่ถือว่าการทรมานตนเองเป็นการเผากิเลส ถ้าแต่พระองค์พูเจริรนคราวหนึ่งในกรุงราชครื่นี้หม่อมชันเข้าไปหาครูนิครนทนาตะบุตรได้นั่งลงถามว่าอาชีพที่อาศัยศิลปะมากมายดังที่กล่าวมาในข้อก่อนๆ น, นั้นท่านจะบัญญัติผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันได้เช่นนั้นบ้างหรือไม่ครูนิครนทนาตบุตรตอบว่ามหาบพิษ นิครนในโลกนี้สำมรวมด้วยการสังวรสี่อย่างคือหนึ่งเว้นน้ำดิบทุกอย่าง 2. ประกอบกิจที่เว้นจากบาบทุกอย่าง 3. ล้างบาปทุกอย่าง 4. รับสัมผัสทุกอย่างโดยไม่ให้เกิดบาปนิครนสำรวมด้วยการสังวรสี่อย่างนี้ดังนั้นบัณฑิตจึงเรียกว่าผู้ถึงที่สุดแล้วสำรวมแล้วตั้งมั่นแล้ว หม่อมชันถามถึงผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์แต่ครูนิครนตนาตบุตรกลับตอบเรื่องความสังวรสี่อย่างเปรียบเหมือนเขาถามเรื่องมะม่วงกลับตอบเรื่องขนุนสัมปลอหม่อมฉันไม่ชื่นชมแต่ไม่ตำหนิและลูกจากที่นั่งจากไปลัทธิของครูสัญชัยเวลันธบุตรอมราวิเคปวาทะลัทธิที่หลอกเลี่ยงไม่แน่นอน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคราวหนึ่งในกรุงราชคกลืนี้หม่อมชันเข้าไปหาครูสัญชัยเวลันธบุตรได้นั่งลงถามว่าท่านสัญชัยอาชีพที่อาศัยศิลปะมากมายดังที่กล่าวไว้นั้นท่านสัญชัยจะบัญญัติผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันได้เช่นั้นบ้างหรือไม่ครูสัญชัยเวลันธบุตรตอบว่าถ้ามหาบพิตรตรัสถามอาตมาว่าโลกหน้ามีจริงหรือ หากอัตมาภาพมีความเห็นว่ามีจริงก็จะทูลตอบว่ามีจริงแต่อัตมาภาพมีความเห็นว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่จะว่ามิใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ถ้ามหาบพิตรตรัสถามอัตมาภาพว่าโลกหน้าไม่มีหรือโลกหน้ามีและไม่มีหรือโลกหน้าจะว่ามีก็ม่ใช่จะว่าไม่มีก็ม่ใช่หรือ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 หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือตถาคตในที่นี้เป็นคำที่ลัตที่อื่นใช้กันมาก่อนพุทธการหมายถึงอัตตาหรืออัตมันไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่หรือหากอัตมภาพมีความเห็นว่า หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ก็จะทูลตอบว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่แต่อัตมาภาพมีความเห็นว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ท่านผู้ฟังอยู่เพิ่งงงนะครับ ผมอ่านเองผมยังงงเลยครับเป็นลทัทธิที่ประหลาดมากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมชั้นถามถึงผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์แต่ครูสัญชัยเวลันธบุตรกลับตอบหลบเลี่ยงเปรียบเหมือนเขาถามเรื่องมะม่วงกลับตอบเรื่องขนุนสัมปรอหม่อมฉั้นไม่ชื่นชมแต่ก็ไม่ตำหนิและลุกจากที่นั่งไป ผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ได้ข้อที่หนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันขอทูลถามพระองค์ว่าอาชีพที่อาศัยศิลปะมากมายเหล่านี้คือผลช้างผลม้าพลรถพลธนูพนักงานเชิญธงพนักงานจัดกระบวนทับพวกจัดทรงสเสบียงราชนิกุลผู้ทรงเป็นนายทหารระดับสูงผลอาสาลขุนพลพกล้าพลสวมเกราะพวกทาดเรือนเบีย้ยพวกทำขนมช่างการระบบ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 พระองค์จะทรงบัญญัติผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันได้เช่นนั้นบ้างหรือไม่พระกุทธเจ้าข้าหมายเหตุคำถามประเด็นนี้คือชาวโลกครองชีวิตอยู่เพราะมีวิชาชีพสมณะคุณหรือการบวชเป็นสมณะมีประโยชน์ที่มองเห็นได้ชัดเจนเหมือนวิชาชีพต่างๆบ้า ง, างหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบัญญัติได้มหาบพิษ แต่ในเรื่องนี้อัตมาภาพขอย้อนถามพระองค์ก่อนโปรดตอบตามขอพระไทยพระองค์ทรงเข้าพระไทยเรื่องนี้ว่าอย่างไรคือสมมุติว่าพระองค์มีบุรุษทาสกรรมกรผู้ตื่นก่อนนอนทีหลังเฝ้ารับพระบัญชาตามรับสัง่งคอยประพฤติให้ถูกพระไทยต้องเพชทูลอย่างภัราะคอยสังเกตพระพักเขาคิดว่าน่าอัศจรรย์ผลบุญนักแท้จริงพระเจ้าอาชาสตรูเวเทหบุตร พระองค์นี้ทรงเป็นมนุษย์แม้เราก็เป็นมนุษย์แต่พระองค์ทรงเอิบอิ่มร่างพร้อมด้วยกรรมคุณห้าหุดเทพเจ้าส่วนเราเป็นทาสกรรมกรของพระองค์ต้องตื่นก่อนนอนทีหลังเฝ้ารับพระบัญชาตามรับสัง่งคอยประพฤติให้ถูกพระทยัยต้องเพชรทูลอย่างไพเราะคอยสังเกตพระพักเราควรทำบุญไว้จะได้เป็นเหมือนพระองค์ท่านทางที่ดีเราพึงโวนผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัทออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตต่อมาเขาควรผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัทออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วเป็นผู้สารวมกายวาจาใจอยู่สันโดดด้วยอาหารพอประทางความหิวและผ้าพอคุมกายยินดียิ่งในความสงัดถ้าราชบุรุษกราบทูลพฤติการของเขาอย่างนี้ว่าขอเดชะ พระองค์ทรงทราบถึงว่าบุรุษผู้เคยเป็นทาสกรรมกรของพระองค์ที่ต้องตื่นก่อนนอนทีหลังเป่ารับพระบัญชาตามรับสัง่งคอยประพฤติให้ถูกพระไทยต้องเพชทูลอย่างไพเราะคอยสังเกตรพระพักอยู่อย่างนั้นบัดนี้เขาโกนผมละหนวดนุ่งผมผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วเป็นผู้สํารวมกายวาจาใจอยู่สันโดษ ด, ด้วยอาหารพอประทังความหิวและผ้าพอคุมกาย ยินดียิ่งในความสงัดพระองค์จะตรัสอย่างนี้เชียวร่วาเฮ้ยเจ้าคนนั้นจงมาหาข้าจงเป็นทาสกรรมกรที่ต้องตื่นก่อนนอนทีหลังคอยรับคำสั่งคอยประพฤติให้ถูกใจพูดอย่างไพเราะคอยเฝ้าสังเกตดูหน้าตามเดิมพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรกราบทูลว่าจะทำอย่างนั้นไม่ได้พระพุธทธเจ้าคา่ะที่จริงหม่อมฉันเสอีก ควรจะไหว้ลุกรับเชื้อเชิญให้เขานั่งบำรุงด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารคือยารักษาโรคและเครื่องยาและจัดการรักษาปกป้องคุ้มครองเขาอย่างชอบธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบาพิษพระองค์ทรงข้าวพระทยัยเรื่องนั้นว่าอย่างไรหากเมื่อเป็นอย่างนี้ผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์มีอยู่หรือไม่ พระเจ้าอาชาสตรูเวเทหิบุตรกราบทูลว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ก็มีอยู่แน่พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิษนี้คือผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ได้ในปัจจุบันที่อาตมภาพบัญญัติถวายพระองค์เป็นข้อที่หนึ่ง ผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ได้ข้อที่สองพระเจ้าอาชาศัตรูเวเทหีบุตรทูนถามว่าพระองค์จะทรงบัญญัติผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันเช่นนี้แม้อย่างอื่นได้อีกหรือไม่พระพุทธเจ้าขา้าเพราะผู้มีพระภาคตรัสสอบว่าบัญญัติได้มหาบพพิสแต่ในเรื่องนี้อาตมาภาพขอย้อนถามพระองค์ก่อนโปรดตอบตามพอพระไทย พระองค์ทรงเข้าพระทัยเรื่องนี้ว่าอย่างไรคือสมมุติว่าพระองค์มีบุรุษเป็นชาวนาเป็นกหาบดีซึ่งต้องเสียภาษีบำรุงรัฐเขาคิดว่าน่าอัศจรรย์ผลบุญนักแท้จริงพระเจ้าอาชาตัตรูเวเทหิบุตรพระองค์นี้ทรงเป็นมนุษย์แม้เราก็เป็นมนุษย์แต่พระองค์ทรงเติบอิ่มร่างพร้อมด้วยกามคุณห้าดุษเทพเจ้าส่วนเราเป็นชาวนาเป็นกหบดีที่ต้องเสียภาษีบำรุงรัฐของพระองค์ เราควรทำบุญไว้จะได้เป็นเหมือนพระองค์ท่านทางที่ดีเราพึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตต่อมาเขาละทิ้งของโพกสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจอยู่สันโดษด้วยอาหารพอประทังความหิวและผ้าพอคุ้มกายยินดียิ่งในความส ง, งัด ถ้าราชบุรุษกราบทูลพฤติการของเขาอย่างนี้ว่าขอเดชะพระองค์ทรงทราบเถิดว่าบุรุษผู้เคยเป็นชาวนาเป็นกะหะบดีที่เคยเสียภาษีบำรุงรัฐของพระองค์นั้นบัดนี้เขาโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพั์ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตพระองค์จะตรัสอย่างนี้เชียวรู้ว่าเฮ้ยเจ้าคนนั้นจงมาหาข้าจงเป็นชาวนาเป็นกหกบดีเสียภาษีบำรุงรัฐตามเดิม พระเจ้าอาชาสตรูเวเทหิบุตรกราบทูลว่าจะทำอย่างนั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าที่จริงหม่อมชั้นซสอีกควรจะไหว้ลุกรับเชื้อเชิญให้เขานั่งบำรุงด้วยจีวรบินทะบาเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารและจัดการรักษาปกป้องคุ้มครองเขาอย่างชอบธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบาพิตรพระองค์ทรงข้าพระทยัยเรื่องนั้นว่าอย่างไรหากเมื่อเป็นอย่างนี้ ผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์มีอยู่หรือไม่พระเจ้าอาชาสตรูเวเทหีบุตรกราบทูลว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ก็มีอยู่แน่พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิษนี่คือผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ได้ในปัจจุบันที่อัตมภาพปัญญัติถวายพระองค์เป็นข้อที่สอง ผลแห่งความเป็นสมณะที่ประนีตกว่าที่ผ่านมาพระเจ้าอาชาสตรูเวเทหิบุตรทูลถามว่าพระองค์จะทรงบัญญัติผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันแม้อย่างอื่นที่ดีกว่าและประนีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์เหล่านี้ได้อีกหรือไม่พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระพาตรตรัสตอบว่าบัญญัติได้มหาบพิษขอพระองค์โปรดสดับ โปรดตั้งพระไทยให้ดีอัตมาภาพจักสแสดงถวายพระเจ้าอาชาสัตรูเวเทหีบุตรทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบุพิษทศถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะไปดีรู้แจ้งโลก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 และมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนหมายเหตุธรรมะมีความงามในเบื้องต้นหมายถึงศีลมีความงามในท่ำกลางหมายถึงอริยมรรคมีความงามในที่สุดหมายถึงพระนิพพานสำหรับคำว่าพรหมจรรย์หมายถึงความประพฤติประเสริฐมีในสิบประการคือทานการให้ว ย, ยาวจา การขวนขวายช่วยเหลือปัญจาศีลักษ์ศีลห้าอปมัญญาการประพฤติรมวิหารอย่างไม่มีขอบเขตเมถุนวิรัตการงดเว้นจากการเสพเมถุนสัทธาสันโดษความยินดีเฉพาะคู่ครองของตนวิริยะความเพียรอุโ ป, โปสถังคะองค์อุโบสถอริยมาร์คทางอันประเสริฐ และศาสนาหรือพระพุทธศาสนาขาหาบดีบุตรขาหาบดีหรืออนุชนคือคนผู้เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้สดับธรรมนั้นแล้วเกิดศรัทธาในตถาคตเมื่อมีศรัทธายอมตรหนักว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปรง่ง การที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติตรงมจันท ร, ร์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนหยุดสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตหมายเหตุการอยู่ครองเรือนชื่อว่าเป็นเรื่องอึดอัดเพราะไม่มีเวลาว่างเพื่อจะทำกุศ ล, ลกรรมแม้เรือนจะมีเนื้อที่กว้างขวางถึงสศอกมีบริเวณภายในบ้านตั้ง100โยย มีคนอยู่อาศัยเพียงสองคนคือสามีพัญยาก็ยังถือว่าอึดอัดเพราะมีความห่วงกังวลกันและกันส่วนชื่อว่าเป็นทางแห่งธุรีเพราะเป็นที่เกิดและเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอันทาจิตให้เศร้าหมองเช่นราคะเป็นต้นสำหรับการบวชเป็นทางปลอดโปรง่งนักบวชแม้จะอยู่ในเรือนยอดปราสาทแก้วและเทววิมาน ซึ่งมีประตูหน้าต่างปิดมิดชิดก็ยังถือว่าปลอดโปรง่งเพราะนักบวชไม่มีความยึดติดในสิ่งใดๆเลยเมื่อขาหาบดีบุตรขาหาบดีหรืออนุชนคนผู้เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งคิดได้ดังนั้นต่อมาเขาละทิ้งกองโคกสะสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวดนุ่งหมผ้ากาสาวพัออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วอย่างนี้ สำรวมด้วยการสังวรในพระปาติโมกเพียบพร้อมด้วยมารยารและโคจรคือการเที่ยวไปเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทประกอบด้วยกายกรรมและวจีกรรมอันเป็นกุศลมีอาชีวะบริสุทธิ์สมบูรณ์ด้วยศีลคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายคือตาหูจมูกลิ้นกายใจสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะและเป็นผู้สันโดษ เนื้อความต่อจากนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงเรื่องจุลศีลมาชิมศีลและมหาศีลเนื้อความทุกอย่างเหมือนกับโรงมาชาลสูตรนะครับเมื่อพระองค์ตรัสจบศีลทั้งหมดจนถึงมหาศีลจึงตรัสต่อว่ามหาบาพิษภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยอันตรายจากการสํารวมในศีลเลยเปรียบเหมือนกษัตริย์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 ภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวานในอินทรีย์ทั้งหลายคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาและไม่รวบถือคำว่ารวบถือคือมองภาพรวมโดยไม่พิจารณาลงไปในรายละเอียดเช่นมองว่ารูปนั้นสวยรูปนี้ไม่สวยไม่แยกถือคำว่าแยกถือคือมองแยกพิจารณาเป็นส่วนๆไปเช่นตาสวย แต่จมูกไม่สวยภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมในจกักขุนสีจกักขุนสีหมายถึงตาซึ่งทําหน้าที่ดูรูปซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูก บ, บาปอกุศละธรรมคืออภิชาหมายถึงความโลภความอยากได้และโทมนัสคือความเสียใจความเป็นทุกข์ใจ ถูกอภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจากขุนสีถึงความสำรวมในจากขุนสีฟังเสียงด้วยหูดงกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องผวดตัพะด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือยอมปฏิบัติเพื่อสำรวมในมนินรีมนินรีหมายถึงใจซึ่งเป็นใหญ่ในการรับรู้ธรรมารมคืออารมณ์ที่เกิดทางใจ ย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมในมนินทรียีซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูก บ, บาปอกุศนละธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงําได้จึงรักษามนินทรียีถึงความสํารวมในมนินทรียีพิษุผู้ประกอบด้วยความสํารวมอินทรีย์อันเป็นอริยะนี้ย่อมสวยสุขอันไม่ละคนกับกิเลสในภายในมหาบาพิษภิกษุชื่อว่าคุ้นครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้แล สติสัมปชัญญะมหาบพิษภิกษุชื่อว่าประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู้เข้าการเหยียดออกการครองสังขติบาทและจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้ม การถ่ายอุจาระปัสสาวะการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการนิ่งมหาบาพิธภิกษุชื่อว่าประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นอย่างนี้แหลสันโดษมหาบาพิธภิกษุชื่อว่าผู้สันโดษเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบินทบาทพออิ่มท้องจะไปหน้าที่ใดๆก็ไปได้ทันทีเหมือนนกบินไปหน้าที่ใดๆก็มีแต่ปีกเป็นภาระมหาบาพิษภิกษุชื่อว่าผู้สันโดษเป็นอย่างนี้แลการละนิวรห้ภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยาศิละขันอริยาอินสียสังวอน อริยสติสัมปชัญญะและอริยสันโดษอย่างนี้แล้วพักอยู่ณเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟงังเธอกลับจากบินทบาดภายหลังชันอาหารเสร็จแล้วนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอละอภิชาในโลกคือความเพ่งแรงอยากไดของเขา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 และอุดทัจกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านและรำคาญใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชราระจิตให้บริสุทธิ์จากอุททัจกุกุจจะและวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในกุศ ล, ลธรรมอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาหมายเหต ข้อที่ว่าเธอละอภิชาในโลกโลกในที่นี้หมายถึงสภาพที่ต้องแตกสลายกล่าวคืออุปทานขันห้าได้แก่ความยึดติดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมีตัวตนและเป็นของตนอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อุปมาณิวรห้า เปรียบเหมือนคนกู้หนี้มาลงทุนจนประสบผลสาเร็จใช้หนี้เก่าที่เป็นต้นทุนจนหมดเก็บกำไรที่เหลือไว้เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรพัญญาเขาคิดว่าเมื่อก่อนเรากู้หนี้มาลงทุนการงานสาเร็จผลดีได้ใช้หนี้เก่าที่ยืมมาลงทุนหมดแล้วกำไรก็ยังมีเหลือไว้เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรพัญยาเพราะความไม่มีหนี้สินเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจ เปรียบเหมือนคนไข้อาการหนักบริโภคอาหารไม่ได้ไม่มีกำลังต่อมาหายป่วยบริโภคอาหารได้กลับมีกำลังเขาคิดว่าเมื่อก่อนเราป่วยอาการหนักบริโภคอาหารไม่ได้ไม่มีกำลังเวลานี้หายป่วยบริโภคอาหารได้มีกำลังเป็นปกติเพราะการหายจากโรคเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจ เปรียบเหมือนคนต้องโทษถูกคุมขังในเรือนจำต่อมาพ้นโทษออกจากเรือนจำโดยสวัสดิภาพไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเขาคิดว่าเมื่อก่อนเราต้องโทษถูกคุมขังในเรือนจำเวลานี้พ้นโทษออกจากเรือนจำโดยสวัสดิภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพราะการพ้นจากเรือนจำเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจ เปรียบเหมือนคนที่ตกเป็นทาสพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นจะไปไหนตามใจชอบก็ไม่ได้ต่อมาผลจากความเป็นทาสพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวเองจะไปไหนก็ได้ตามใจชอบเขาคิดว่าเมื่อก่อนเราเป็นทาสพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นจะไปไหนตามใจชอบก็ไม่ได้เวลานี้ผลจากความเป็นทาสพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทแก่ตัวเอง จะไปไหนก็ได้ตามใจชอบเพราะความเป็นไทยแก่ตัวเองเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจเปรียบเหมือนคนมีทรัพย์สมบัติเดินทางไกลกันดารหาอาหารได้ยากมีภัยเฉพาะหน้าต่อมาข้ามพ้นทางกันดารถึงหมู่บ้านอันสงบร่มเย็นปลอดภัยโดยสวัสดิภาพเขาคิดว่าเมื่อก่อนเรามีทรัพสมบัติเดินทางไกลกันดาร หาอาหารได้ยากมีภัยเฉพาะหน้าเวลานี้ข้ามพ้นทางกันดานถึงหมู่บ้านอันสงบร่มเย็นปลอดภัยโดยสวัสดิภาพเพราะการพบภูมิสถานอันร่มเย็นเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจมหาบาพิตรภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าที่ตนยังละไม่ได้เหมือนหนี้โรคเรือนจำความเป็นทาตและทางไกลกันดานมหาบาพิตร ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าที่ตนละได้แล้วเหมือนความไม่มีหนี้ความไม่มีโรคการค้นโทษจากเรือนจําความเป็นไทยแก่ตัวเองและภูมิสถานอันสงบร่มเย็นเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าที่ตนละได้แล้วย่อมเกิดความสงบเบิกบานใจเมื่อเบิกบานใจก็ย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบ เธอมีกายสงบย่อมได้รับความสุขเมื่อมีความสุขจิตย่อมตั้งมัน่นปฐมฌานภิกษุนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวก รู้สึกทราบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนพนักงานสงสนานหรือลูกมือพนักงานสงสนานผู้ชำนาญเทผงถูตัวลงในภาชนะสำริษและเอาน้ำประพรมให้ติดเป็นก้อนพอตกเย็นก้อนถูตัวที่ยางซึมไปจับก็ติดกันหมดไม่กระจายออกฉันใด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 ทุติยฌานยังมีอีกมหาบพิตรเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งขุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเ อ, อิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกซาบซ่านอยู่ ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนห้วงน้ําลึกเป็นวังวนไม่มีทางที่กระแสน้ําจะไหลเข้าได้ทั้งด้านตะวันออกด้านใต้ด้านตะวันตกและด้านเหนือฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลแต่กระแสน้ําเย็นพุ่งขึ้นจากห้วงน้ํานั้นแล้วทําห้วงน้ํานั้นให้ชุ่มชื่นเ อ, อบิบอาบเนื่องนองไปด้วยน้ําเย็น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 ตาติยะชานยังมีอีกมหาบอพิษเพราะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตาติยะชานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเ อ, อิบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปีติรู้สึกซาบซ่านอยู่ ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปีติจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนในกอบัวเขียวกอบัวหลวงหรือกอบัวขาวดอกบัวเขียวดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวบางเหล่าที่เกิดเจริญเติบโตในน้ายังไม่พ้นน้าจมอยู่ใต้น้ํามีน้ําหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่นเ อ, อิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นตั้งแต่ยอดถึงเง่า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 จตุตะถาฌานยังมีอีกมหาบาพิษเพราะละสุขละทุกข์ได้เพราะสมณนัตและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุบรรลุจตุตะถาฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เธอมีใจอันบริสุทธิ์ขุดผ่องนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ขุดผ่องจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนคนนั่ง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 ที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆวิชาแปดประการ 1. วิปัสนาญาณเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ขุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินหมายเหตุเชิงอัดกิเลสมีราคาเป็นต้นท่านเรียกว่ากิเลสเพียงดังเนินหรืออังคณนะเพราะยังจิตให้ลาดต่าโน้มเอียงไปสู่ที่ต่า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 อาจเรียกว่ามัคยานกลายานสัพพัญยุตยานปัจเจเวคณะยานหรือวิปัสนาญาณก็ได้น้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่างประกอบขึ้นจากมหาพุทธ ร, รูปสีเกิดจากบิดามารดาจเจริญไวเพราะข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้น มีอันแตกกระจระจายไปเป็นธรรมดาวิญญาณของเราอาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้เปรียบเหมือนแก้วไผูทู์อันงดงามตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยมที่เจรณนายดีแล้วสุขใสเป็นประกายได้สัสดส่วนมีได้สีเขียวเหลืองแดงขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในคนตาถึงหยิบแก้วไผ่ทูนนั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณารู้ว่า แก้วไผ่ทูนอันงด ง, งามตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยมที่เจรไนดีแล้วสุขใสเป็นประกายได้สัด ส, ส่วนมีได้สีเขียวเหลืองแดงขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในฉันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ขุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมันไม่หวั่นไหวอ ย, อย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนรู้ชัดอย่างนี้ว่า กายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่างประกอบขึ้นจากมหาปุตต ร, รูปสี่เกิดจากบิดามารดาเจริญวัยเพราะเข้าสุกและขนมสดไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาวิญญาณของเราอาศัยและเนื่องอยู่ด้วยกายนี้ฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีกว่าและประนีดกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อน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 เขาเห็นว่านี่คือญ้าปล้องนี่คือไส้ญ้าปล้องเป็นอย่างหนึ่งไส้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ไส้ถูกชักออกมาจากญ้าปล้องนั่นเองเปรียบเหมือนคนชักดาบออกจากฝักเขาเห็นว่านี่คือดาบนี่คือฝักดาบเป็นอย่างหนึ่งฝักก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ดาบถูกชักออกมาจากฝักนั่นเองหรือเปรียบเหมือนคนดึงงูออกจากคราบเขาเห็นว่า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 มีอวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกคร่องฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีกว่าและประณีกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆสามอิทธิวิทยาน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 ขุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือลูกคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงโคมละโล ก, ก็ได้เปรียบเหมือนช่างหม้อหรือลูกมือช่างหม้อผู้เชี่ยวชาญ เมื่อนวดดินเหนียวดีแล้วพึงทำภาชนะที่ต้องการให้สำเร็จได้เปรียบเหมือนช่างงาหรือลูกมือช่างงาผู้ชำนาญเมื่อแต่งงาดีแล้วพึงทำเครื่องงาชนิดที่ต้องการให้สำเร็จได้เปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือช่างทองผู้ชำนาญเมื่อหลอมทองดีแล้วพึงทำทองรูปพัณฑ์ชนิดที่ต้องการให้สำเร็จได้ฉันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ปุตผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวันไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิทยานแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีกว่าและปราณีกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆสี่ 4. ทิพสโตตาธาตุญาน เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ปุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความซ่อหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อทิพโสตัธาตุญานได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพและเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เปรียบเหมือนคนเดินทางไกลที่มีประสบการณ์มากได้ยินเสียงกลองเสียงตะโพนเสียงสังเสียงปันดอก เสียงเปิงมางก็เข้าใจว่านั่นเสียงกลองเสียงตะโพนเสียงสังเสียงบันเดาะเสียงเปิงมางฉันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ปุตผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินภิกษุน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุญานได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพและเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ ซึ่งดีกว่าและประนีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆ 5. เจโตปริยญาณเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินประจักษ์จากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมันไม่วันไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ กำหนดรู้จ so ิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะหรือปราศจากราคะก็รู้ว่าปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะหรือปราศจากโทสะก็รู้ว่าปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะหรือปราศจากโมหะก็รู้ว่าปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าหดหูหรือฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่าน จิตเป็นมหคตาก็รู้ว่าเป็นมหัคคตาคำว่ามหคตาแปลว่าถึงความเป็นใหญ่มหคตาจิตหมายถึงจิตที่ถึงฌานสมาบัติจิตเป็นมหคตาก็รู้ว่าเป็นมหคตาหรือไม่เป็นมหคตาก็รู้ว่าไม่เป็นมหัคตาจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่ามีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า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 ชั้นใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้หมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวนไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณยกำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตนข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีกว่าและประณีกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อน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 3 4มี่ห้าชาติบ้าง10 20 30 40ชาติ50ชาติบ้างร้อยชาติพันชาติแสนชาติบ้างตลอดสังวัตตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตตะกับและวิวัตตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้น จุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพนโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารสวยสุขทุกและมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เปรียบเหมือนคนจากบ้านตนไปบ้านอื่นแล้วจากบ้านนั้นไปยังบ้านอื่นอีก เขาจากบ้านนั road, beach, aded, ้นกลับมายังบ้านเดิมของตนระลึกได้อย่างนี้ว่าเราได้จากบ้านตนไปบ้านโน้นในบ้านนั้นเราได้ยืนนั่งพูดนิ่งเฉยอย่างนั้นอย่างนั้นเราได้จากแม้บ้านนั้นไปยังบ้านโน้นแม้ในบ้านนั้นเราก็ได้ยืนนั่งพูดนิ่งเฉยอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วกลับจากบ้านนั้นมาอย่างบ้านเดิมของตนฉันใด เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองภิกษุน้อมจิตไปเพื่อปลุกเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีกว่าและประณีกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆเจ็ดทิพจักขุยาน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 เห็นหมู่ชนกำลังเข้าไปสู่เรือนบ้างออกจากเรือนบ้างสัญจรอยู่ตามถนนบ้างนั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งกลางเมืองหลวงบ้างก็รู้ว่าคนเหล่านี้เข้าไปสู่เรือนคนเหล่านี้ออกจากเรือนคนเหล่านี้สัญจรอยู่ตามถนนคนเหล่านี้นั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งกลางเมืองหลวงฉันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองภิกษุน้อมจิตไปเพื่อจุดตูปปาตยาน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 เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวะขยะยานรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขะสมุ ท, ทยัยนี้ทุกขะนิโรดนี้ทุกขะนิโรธค า, ามิหนีปฏิปทานี้อาสวะนีอาสวะสมุ ท, ทยัยนีอาสวะนิโรธ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 หมายเหตุเชิงอัดกิจที่ควรทำในที่นี้หมายถึงกิจในอริยสัจ ส, สี่คือการกำหนดรู้ทุกการละเหตุเกิดแห่งทุกข์การทําให้แจ้งซึ่งความดับทุกข์และการอบรมมัชมีองค์แปดให้เจริญคําว่าไม่มีหน้าที่ในที่นี้คือไม่มีหน้าที่ในการบําเพ็ญมัรคยานเพื่อความหมดสิ้นแห่งกิเลสอีกต่อไปเพราะพระพุทธศาสนาถือว่าการบรรลุพระอรหันตผล เป็นจุดหมายสูงสุดเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบรมอาจัร์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเปรียบเหมือนสระน้ำใสสะอาดไม่กุ่นมัวบนยอดเขาขนตาดียืนที่ขอบสระนั้นเห็นหอยโข่งและหอยกาบก้อนกรวดและก้อนหินหรือฝูงปลากาลังแหวกว่ายอยู่บ้าง หยุดอยู่บ้างในสระนั้นก็คิดอย่างนี้ว่าสระน้านี้ใสสะอาดไม่กุ่นมัวหอยโข่งและหอยกาบก้อนกรวดและก้อนหินและฝูงปลาเหล่านี้กําลังแหวกว่ายอยู่ก็มีหยุดอยู่ก็มีในสระนั้นฉันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองภิกษุน้อมจิตไปเพื่ออาศวะขยะยานรู้ชัดตามความเป็นจริงจิตหลุดพ้นแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีกว่าและประณีกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆมหาบพิธไม่มีผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์อย่างอื่นที่ยอดเยี่ยมกว่าหรือประณีกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์นี้เลย พระเจ้าอาชาสตรูทรงประกาศพระองค์เป็นอุบาสกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้พระเจ้าอาชาสตรูเวเทหีบุตรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลไหของที่คว่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทาง หรือตามประทีพในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจกเห็นรูปได้หม่อมชั้นนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำหม่อมชั้นว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความผิดได้ครอบงามหม่อมชั้นผู้โง่เขลาเบาปัญญา ซึ่งได้ปลงพระชนพระราชบิดาผู้ทรงธรรมเพราะต้องการความเป็นใหญ่คาแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดทรงรับทราบความผิดของบ่อมชั้นตามความเป็นจริงเถิดเพื่อจะได้สํารวมต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเจริญพรมหาบาพิษความผิดด้วยครอบงามพระองค์ผู้โง่เข่าเบาวปัญญาซึ่งได้ปลงพระชนพระราชบิดาผู้ทรงธรรมเพราะต้องการความเป็นใหญ่ แต่พระองค์ทรงเห็นความผิดว่าเป็นความผิดแล้วทรงสารภาพตามความเป็นจริงดังนั้นอตมาภาพขอรับทราบความผิดนั้นของพระองค์ก็ผู้ที่เห็นความผิดว่าเป็นความผิดแล้วสารภาพออกมาตามความเป็นจริงรับว่าจะสำรวมต่อไปวิธีนี้เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยะเจ้าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ พระเจ้าอาชาสตรูเวเทหีบุตรได้กราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นบัดนี้หม่อมชั้นขอทูลลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระพุทธเจ้าขา่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอพระองค์จงทร ง, งกาหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดมหาบาพิษพระเจ้าอาชาสัตรูเวเทหีบุตรทรงชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาค แล้วได้เสด็จลุกจากที่ประทับทรงกราพระาผู้มีพระภาคทรงกระทำประทักษิณแล้วเสด็จจากไปครั้นเมื่อเท้าเธอเสด็จจากไปไม่นานพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายพระราชาองค์นี้ถูกขจัดเสียแล้วถูกทาลายเสียแล้วหากเท้าเธอจะไม่ปรงพระชนพระราชบิดาผู้ทรงธรรมธรรมาจากสุ ข้อนี้หมายถึงดวงตาเห็นธรรมหมายถึงการเห็นอริยสัจสี่และการบรรลุมรรคสามเบื้องต้นแต่โดยทั่วไปและในที่นี้หมายถึงการบรรลุโสดาปติมรรคหรือบรรลุเป็นพระโสดาบันนั่นเองภิกษุทั้งหลายพระราชาองค์นี้ถูกขจัดเสียแล้วถูกทำลายเสียแล้วหากเท้าเธอจกไม่ปลงพระชนพระราชบิดาผู้ทรงธรรมธรรมาจากสุอันไรทุลีคือกิเลสปราศจากมลทิน จะเกิดขึ้นแก่เท้าเธอณนะที่ประทับนี้ทีเดียวเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเวยยการณภาสิทนีิจบลงภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมยินดีพุทธภาสิทนั้นแลจบสามัญญพลสูตร